การทำกันเนอะ <c oughs> ก็การฟังธรรมก็คือการวงเรื่องของตัวเรานี่เรื่องที่เกิดกับตัวเราคือกายกับใจ เรามาปฏิบัติธรมรมก็คือมาฝึกทัศนคติเรื่องกายเรื่องใจตามหลักกรรมฐานฝัดมีสติไปในกายตั้งไว้ก่อนเพื่อการเตรียมพร้อมที่จะได้เปลี่ยนทัศนคติ ที่เกิดกับกายกับใจตั้งไว้ก่อนอาสายกายอาสายใจเป็นที่ตั้งของความรู้จักตัวเจ้านั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจก็ให้เปลี่ยนเป็นความรู้จักตัวนรว่าพิกขั ตัวเองทุกคนต้องฝึกหัดอย่างนี้การฝึกหัดกายใจให้มีสติเป็นที่ตั้งไม่มีอะไรอ้างเองโดยเหตุผลความคิดหรือเพศวัยรับที่ การเวลาไม่มีอากแม้แเจ็บคข้ได้ป่วยหูหนวกตาบอดก็สามารถฝึกได้เพราะกายใจมีให้เราฝึกอยู่แม้แต่เราเจ็บเียนตายก็ยังฝึกได้ ให้มีความรู้สึกตัวเป็นที่ตั้งเมื่อเห็นความเจ็บกระรู้สึกตัวเือเกิดเจ็บขึ้นมาอย่าให้ความเจ็บเป็นใหญ่ให้แทรกความรู้สึกตัวลงไปการฝรึกต้องฝึกอย่างนี้ยิ่งเรายงไม่ เก็บไม่สุกไม่ทุกข์ก็ยิ่งดีหรือเคยสุขเคยทุกข์เคยมีปัญหาก็ยิ่งดีจะได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับฟ้ากับาลมากประสบการณ์มากบทเรียนจะมีมาก แต่ทุกคนก็มักจะมีสิ่งที่การใช้กายใช้ใจผิดพลาดมาหลายอย่างใช้แต่ทุกรูปแบบตั้งความสุขความทุกข์ความลักความชังความพอใจไม่พอใจของขดโลกหลงเกลตั้หาหลักะอุปทานยึดมัน่นว่าเป็นตัวเป็นตนอันนี้ก็ต้องแทรกหลงไปให้ได้โดย เอาสติตั้งไว้ก่นที่กายที่จิตใจเมื่อการเตรมพ้อมอยู่แล้วเหมือนนกรกบที่มีอาวุธที่มีสมรภูมิที่ดีเพื่อปราบฆ่าศึกศัตรูที่จะมาลุกลานกระเทดชาติ นี่เราก็มีวิชากรรมฐานแบบวิชาที่เทียมพร้อมมีสติเป็นกายเป็นประจําคู้แขนเข้าอย่าแขนออกสามารถทําได้ยับยาบเพื่อให้เกิดความชัดเจนให้มีการกระตุ้น ให้เกิดความรู้ได้ง่าย้วเอาลมหายใจอาจจะไม่เพียงพอออเดื้อมาจะแรงกว่าความการเอาลมหายใจมาเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตัวบางทีเราก็หายใจมามารู้สึกตัวว่าเราหายใจ แม้ความกดโลภหลงเกิดขึ้นก็ไม่มีความรู้สึกตัวว่าหายใจรักษาไปรักษาความกดโลภหลงความฉุกความทุกข์ความพอใจไม่พอใจเราจึงมาฝึกหัดให้เป็นดุ้นเป็นก้อนเหมนเราจับเครื่องไม้เครื่องมือให้ชำนิชำนันเรากาย มาเป็นเครื่องมือให้เกิดความรู้จึกตัวความคิดจนเกิดขึ้นอยกากจิตก็มาเป็นความรู้จึกตัวทันทีทันใดเมื่อมันไม่ใช่เมื่อมันเกิดจริงที่ไม่ใช่ความรู้จึกตัวให้เปลี่ยนเป็นความรู้จึกตัวทุกครั้งเมื่อมันเกิดดัองเอ็นขึ้นมาให้เปลี่ยน จริงเรียกว่าปฏิบัติการจรึงๆเรียกว่าฝึกตนสอนตนแก้ไขตนเตือนตนมีสติพระวุทเจ้าก็สอนอย่างนี้ี่สู่ทัต้องหนห่อยเธอจงเตือนตนด้วยตนเองแต่จงแก้ไขตนด้วยตนเองเธอจึงมีสติทุกเมื่อ เรียกว so can, ่าอยู่โดยชอบโลกจะมาว่างจากวาระหันก่อนี้เราก็มาหาดกัน1นึวันเจ็ดวันเวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีสจ็เดือนเจ็ดปีพิจูดูเรื่องนี้อาจจะไม่นานถึงป่านนั่นก็ได้แล้วก็มีเรื่องเก่าที่เราให้เราได้ประสบพบเห็นอยู่เสมอ เกิจากกายกับเรื่องเก่าที่เคยเกิดมาแล้วเกิดจากใจก็เป็นเรื่องเก่าที่เคยเกิดมาแล้วเราได้เห็นเรื่องเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำ อ, อีกแล้วก็ได้บวทเรียนที่ดีเอ้อความรู้จึกตัวเป็นเจนที่วัดกับอย่างที่เกิดขึ้นนั่น จริงเหล่านี้ไม่มีคำถามจะใครใคมีแต่รตันมีจะ ต, ตอบออกเองเึ่งความทุกข์ความรู้สึกตัวความโกรธความรู้สึกตัวความหลงคือความรู้สึกตัวสัมผัสดูอย่างนี้เรียกว่าภาว น, นาไปต่ออ พบเห็นเอาไม่ใช่แบบคิดเห็นเป็นการพบเห็นแต่คิดเห็นไม่ใช่ของจริงเป็นกินตญาณไม่ใช่เป็นปัญญาญาณลูกเหมือนกันแต่มันเป็นจินตญาณการคิดเห็นกับการพบเห็นมันต่างกันอยู่วิธีปฏิบัติ สติมันจะเกิดการพกเห็นเมื่อพกเห็นแล้วแล้วก็ประสบการณบทเรียนต่างกันมากกับการคิดเห็นนี่เดี๋ยวว่าหลวต้นสอนตนวาสสาเอาจ้าวว่ากรรมฐาน ภาวนาเราอาจจะได้ยินแต่ว่าเคยได้สัมผัสก็ว่ากรรมอว้ธาร์นก็คือที่ตั้งของการกระทมภาวนาก็ตั้งไว้ขยันตั้งไว้รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆขยันรู้จิีจิีจังละรู้ทุกเวลาที มันก็เพียงคอรูทุกวินาทีความรู้ทุกวินาทีที่มีใ น, ในกายอาจจะเ ก, กิดความชำนานได้ไวอาจจะคืนหนึ่งก็อาจจะชานานก็ได้เช่นพระอร ห, รหันต์วางรูกแต่ก่อนเป็นปุถุชนตั้งแต่ย่มค่าเป็นปุถุชนอพอเฝอไปเไ ป, เ ก, ไปก็เป็น พระอรหันต์ได้ถ้าใส่ใจให้ตามหลักของกรรมฐานภาวนาวิปัสสนาเป็นไปเองว่ามีเรื่องต้นมีท่ามกลางมีที่สุดกรรมฐานเป็นเบื้องต้นภาวนาเป็นท่น า, น า, นามกลางวิปัสสนาเป็นที่สุด มันเปนขั้นตอนเกิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทําอย่างนี้มันก็เกิดผลอย่างนี้อยงชาวนาชาวไร่มีเนื้อนาเป็นทำนาต้องมีเนื้อนาที่นาที่นาก็ต้องมีน้ำไม่น้ําก็ต้องมี ข้าวปลูกข้าวพันปลูกลงไปที่นาที่เตรียมพร้อมมีเจ้าของรักษาปล่อยน้ำเข้าปล่อยน้ำออกเปิดน้ำเข้าปล่อยน้ำออกก็มันท่วมมากปล่อยออกถ้ามันจะแห้งกาปล่อยน้ำเข้าไปเจ้าของนาเป็นอย่างนี้กันทุกคน ไม่มีใครปฏิเสธเมื่อมีการกระทำเกิดขึ้นก็รู้จักงานการรู้จักหน้าที่มีน้ำเคยเห็นที่เนืน่อนามีต้นข้าวปลูกไว้น้ำ ม, มากเม่เขาท่วมแต่น้ำแห้งหญ้า ก, ก็เกิดต้นข้าวก็ยัา ง, งามยไม่งามนาไมนมีใครบอกคนที่ทำนารู้เอง ในการกระทำเองไม่ไม่ปล่อยทิ้งไม่ทอดทิ้งฉันใดก็ดีกรรมฐานก็เหมือนกันกรรมฐานภาวนาวิปัชนนาเห็นคนทำนาะเอาสติเป็จเจ้าของ เจ้าของกายเจ้าของใจกายใจปลุกไปในกายในกายใจผกดติลงไปในก า, า, ายในใจนั่นก็ได้ปลูกลงไปแล้วจริงๆความเจียตค้านคีดเจีตก็หยุดก็ยันก็ทำไม่ใช่นักปฏิบัติเหมือนคนทำนาขเจต ก็หยุดอ้างว่าร้อนนักอ้างว่าหนาวนักอ้างว่าเหิวนักอ้างว่าเหนื่อยนักอ้างว่ายังเช่าอยู่ชาวนาที่เห็นนาหน้าท่วมเห็นนาน้าล้งไม่มีอันอ้นอย่างานี้จะอ้างอย่างนี้ก็เสียหายแกพืชข้าวที่เราปลูกไว้ทุกคนต้องรีบกว่าวิ่งก็ ว, วิ่ง เคยทำนาเหมือนกันนอนอยู่บ้านเห็นทุ่งนาน้ำเ่วมตรงไหนน้ำหาที่ไหนเพราะการสัมผัส ต, ต้องรู้เห็นทุกที่ในที่นาของตนรู้รอบรู้รอบ ร, รอบก่อนฝึกกรรมฐานก็รู้รอบรอบรู้รอบรอบ ใายใจของตอนอยู่เสมอตรงไหนที่ที่ประมาทที่เคยผิดยิ่งใส่ใจความผิดความถูกเกิดขึ้นให้เห็นและความผิดเป็นความถูกต้องแล้วก็เป็นการงานชอบขึ้นมา กรรมฐานก็เหมือนกันเกิดเพิ่มขย้อนเกิดความชำนานฝึกเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ได้ ว, ว่าประสบการณ์บทเรียนที่ดีง่ายขึ้นฝึกใหม่ก็อาจจะยากถ้าฝึกไปฝึกไปงานมันจะบอกงานมันบอก ก็เกิดความขยันเกิดความฉนาดเกิดการทำอะไรได้ได้ง่ายเช่นเวลาวันหลงแต่ก่อนอาจจะไม่อยากให้หลงไม่พอใจในความหลงเช่นความทุกข์สันไม่อยากให้มันเกิดจากนั้นอาจจกเทีย่ยงชิดมากกว่ า, กาจากเทียดได้ควรหัวง่วงนอน ไปห้ามความคิดสู้กับความคิดฝึกให้รู้เพื่อนไหวก็ช่วยวง ม, มอ่งไม่ได้ก็มองตัวเองว่าทำไม่ได้ทำยากที่เด็กมักจะเป็นอย่างนั้นมักอ้างเอายากเอาง่ายเอาผิดเอาถูกเป็น โจดตัวเองอ้างอยู่เสมอฝึกไปฝไปไม่ได้อ้างอยากให้มันหลงอยากให้มันฟุ้งซ่านอยากให้มันโกรธอยากให้มันทุกข์เพื่อจะได้ฝึกมักจะยิ้มยิ้มที่ฝึกหัดไปอาจจะยิ้มเห็นความผิดที่จะจ้องในแจ้ไขายหัวห น, นช่างซ่อมรถ สร้างสร้างบ้านผิดตรงไหนขยันตรงนั้นชำนาญตรงนั่นถ้าเห็นสิ่ที่ผิดเขาก็ยิ้มเหมือนไปปอยางรดมัอนรั่ว๋ก็หาวิธีที่ต้องเห็นรูรั่วของยางรดพอเขาเห็นเราเขาก็ยิ้มพอใจมากจะได้แก้ตรงที่มันผิด สิ่ที่เขาทํำก็ใช่ได้เขาเป็นนายช่างจนา น, จนานจานาญจนฟังเสียงรถก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นศาตนสตร์เปนศิลป์ไปเองการเปกต้นสอนตนก็เช่นกันหัวราะควอมโกรธได้หัวเรอะความทุกข์ได้ยิ้มได้เมื่อภัยมี ไม่ออกมาเป็นทุกข์ทุกข์ไม่ออกมาเป็นทุกข์ทุกข์ออกมาไม่เป็นทุกข์โกรธไม่ามาเป็นโกรธโกรธออกมาไม่เป็นความโกรธเปลี่ยนได้อย่างนี้นั้นมันยิ่งกว่าการทำอย่างอื่นอยู่ในข่าวเดียวกันในความหลงก็มีความไม่หลงในความโกรธก็มีความไม่โกรธมาให้เราได้ใช้ สะดวกกว่าการทำอย่างเกินทำอย่างเกินต้องมีวัตถุที่หนึง่งที่สองม า, ช, มาช่วยมาช่วยอุกลที่หนึง่งที่สองมาช่วยยังทำได้แล้วก็ทำได้ด้วย แต่ว่าสิ่งที่เกิดกับกายกับใจนี่ไม่มีบุคคลที่หนึ่งที่สองวัตถุหนึ่งสองมาให้เราใช้เราใช้ในตัวเองสิเลสปันห้าตรนัรอยแปดนาทิตัะหนสมานาทีแม่น้าเสมอด้วยตนหนัไม่มีมันใหญ่มากรับใช่เพราะเราเห็นเรามันไม่ใหญ่ขนาดนั้น ไม่ยากขนาดนั้นจะจะยอมรับจนถือว่าเราเป็นปู้โดยชนยิเล็กมากทำไม่ได้ถามจะทำอะไรทำยากไหมถามอยู่อย่างนี้พราทำลงไปมันยากหน่อยก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็อย่างนี้เียว่าทาอะไรไม่สาเร็จ ถ้าถามยากก็ไม่อยากจะทำถ้าง่ายก็จะกระทำไม่ใช่นักทำงานนักทำงานจั่งสมัครลงไปเหมือนคนช่วยงานช่วยกันเป็นจิต <c oughs> เป็นจิตอ า, าสาสช่ย เห็นว่าหนมไประยู่ธ์สวนมุกใช้ยาอ า, อาจารย์พุทธทาสเราอาจจะเป็นแม่ของงานบางอย่างพระที่อยู่สวนโมุกมาถามอยากทำงานนิยมนะไรให้ทำเตรียมพร้อม ก็าอาบน้ำมัดเอวมาเพื่อจะทำงานมือว่างๆไม่มีอะไรมีงานไห้ทำไหมเขาบอกว่ามีก็าพาไปทำล้วก็ตั้งใจทำโดยความสมัครดาบ้างก็ทำได้สนุกไปเลยเหื่อยไม่อ้างหนักไม่อ้าง เอาจนได้ น, นี้เรียกว่าเสิ่ยงวดรอมในตัวเราวันดีอันนี้มาทำกรรมาฐานนี่เป็นงานที่เกิดกับเราแท้ๆงานชอบงานถูกต้องไป แ, แก้ความไม่ถูกต้องให้ขับขากับใจมันก็เป็นประโยชน์ ถ้าเราอาศัยกายสายใจเป็นที่ตั้งความรู้จึกตัวมันไม่ใช่จะทำอยู่เช่นนี้มันก็งอแกามขึ้นมาให้มีอาณิสงเกิดขึ้นเจ้านาปลูกข้าวในที่ดาของตนก็ได้เม็ดข้าวมากินได้ประโยชน์ขาดไม่ขาดไม่ยากไม่จน คนขยนันหาเงินหาทรัพย์ได้ไม่ยากจนคนเกียดค้านก็นย่อมนอนเป็นทุกข์เพราะนอย่างเป็นอันอื่นมีที่นาต้องอาศัยหน้าฝนอาศัยตากแดดหลังสู่เพื่อหน้าซู่ดินเจึงได้เม็ดข้าวโอก็ยังท นี่เอามาฝึกตัวเราแท้ๆตายก็อยู่นี่เอามายกมือคือรู้จักตัวว่ามือรู้จักตัวมันก็นไม่ยากปานนั้นนั่งอยู่ก็ทําได้นอนอยู่ก็ทําได้เดินอยู่ก็ทําได้ยืนอยู่ก็ทําได้แล้วก็อยู่ในล่มในงเงามีที่นั่งมีที่นอน แล้วมีอะไรที่สะดวกงดดของเราที่ได้รับมาก็สะดวกเรื่องนี้เพื่อการนี้ทรมาเป็นไรสอนสนวัตถุเพื่อสะดวกให้เราได้ใช้สนพิธีเพื่อสะดวกให้เราได้ฝึกหัด คาว่ถวาถด่วบอลศาสนาบุคคลก็มีเพื่อนมีเมตรมีตัวบุคคลมีคำพูดที่รู้ชื่อสื่อภาษารูกจักมีอยู่ศาสนาบุคคลมีพิกษุมีสมเนธมีวาสกบาจิกาเดี๋ยวนี้พวกเราก็นั่งอยู่นี่ไม่ต่ำกว่าร้อยคน นี่คือสาสนับบุคคลเป็นคำพูดทุกคนได้ยินบอกงานบอกการว่าให้มีสติเป็นกายเอาคำสอนที้เจ้าได้ตัดไว้มาสอนจักผ่านิเช่นนี้ไม่ขาดสายยังมีคนบอกคนสอนมาตลอด 2,600 ปีมาแล้วสอมาพิชูดได้ ไม่เป็นพป็นอากาลิการรมไม่มีกาลเวลาปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการเกี่ยวเรื่องนี้ผู้ปฏิบัติก็รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ ค, ควรเห็นตามทุกควรแก่ผู้ปฏิบัติเป็นปัจจัตตังของผู้ปฏิบัติสัมผัสรู้เองเห็นเอง ก็เป็นอย่างนี้จึงจึงยืนหยัดอยู่นความเคียงอยู่อยา่างนี้คำสอนทนต่อการพิสูจน์การตัดสุดของพระเจ้าเป็นสาขนของโลกไปแล้วทุกคนยอมรับ กรรมเท่านั้นที่เป็นจริง่งจำแนกสัตว์สัตว์ตลกูกเป็นไปตามกรรมทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็จะได้ชั่วอากทั้งทุกข์ก็เกิดความทุกข์เอาใช่กายใช่ใจไม่เปลี่ยนต้องมาหันกันบ้างไปให้กายทํำอะไรที่ไม่ถูกต้องติดเล่าติดบุญดีติดเจองเท็บติดการไปนคนดูร้อย เมื่อเอาไปทำชั่ววาจาไปพูดชั่วจิตไปคิดชั่วก็ไม่ใคหาดแล้วก็เป็นทุกข์เป็นโทษตั ว, ต, วตัวเองนะคนอื่นถ้ า, าหัดแล้วก็เอากายมาทำความดีเอาใจมาเชิดดีเอาวาจาพูดดี ขาบคามดีก็เกิดขึ้นนะมีประโยชน์ที่ผิดที่ถูกพอผิดบอกถูกช่วยก่อนได้คนที่มีความผิดในครั้งนี้ความถูกขอให้เขามีสติบ้างมีพ่อมีแม่มีครูอาจารย์มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเปาสงฆ์ในโลกนี้จส่งที่เราทุกข์ ครูของเราไม่ทุกข์สิ่งที่เราโกรธครูของเราไม่โกรธแล้วก็มีจริงๆในโลกชีวิตของเรานี้ต้องแก่ต้องเจงเ็บต้องตายตมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้ามีความทุกข์อย่างเอาแล้วพร้อมอย่างไรจะยอมจํานนในความทุกข์ จะตงดีใจก็หออัวล้อเสียใจก็ล้ออ้ายอยู่ชค่นี้เลยเหนือกว่านี้ไปได้หรือให้ความดีใจมาเป็นสุขให้ความเสียใจมาเป็นทุกข์มันก็เกิดอยู่ที่ใจนั่นเองวันนี้ให้รู้จักตัวจ้าพรเจ้าก็บอกตั้งแต่บางต้น มีสติปายในกายเป็นประจอมมีความเพียรเครื่องเผาเลลดมีสมชญญะถอนของมพอใจและความไม่พอใจออกมารู้สึกตัวอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้อยู่เหนือโลกก็เหนืออย่างนี้ฝึกตนก็ฝึกอย่างนี้ ถอนความพอใจถอนความไม่พอใจไม่ใช่ตัวเราถอนออกมารู้จึกตัวซะเพื่อจะอยู่เหนือโลูกเกิดขึ้นกับกายก็ถอนออกมาเกิดขึ้กับใจก็ถอนออกมามาลุกจากตัวนี่ให้ฝึกอย่างนี้จะได้เหนือการเกิดการแเจการนเจ็บก้อนตาย เราไม่แก่ไม่แก่ไม่ตายไปทางนี้ชีวิตเราไว้แค่ไปหวอยไปเฉียนกับความคิดให้ความคิดปเป็นควาสุขเป็นทุกข์แล้ก็ไม่ถูกต้องเราใช้ความคิดเป็นทาสความคิด ล้วก็คิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เคยลักก็เป็นคนที่เคยกลายเป็นคนเกียดชังได้ความคิดนะความคิดที่ไม่ถูกต้องหรือว่าอาวิชชาให้ความคิดเป็นรักใช่อวิชชาความไม่รู้คิดผิดก็ยังคิดได้ คิดขึ้นมาเป็นทุกข์ ก, ก็ยังคิดอยู่ลุกขึ้นมาน้นไม่หลับก็ยังคิดอยู่ลุกขึ้มาน้ำตาไหลก็ยังคิดอยู่ไม่หัดตัวเองหยุดความคิดก็ไม่เป็นมีไม่มีสติส่วนที่มีสติอยู่ก็ไม่ใช่เราใช้ความถูกความทุกเกิดจากความคิดอยู่เชนนั้น ความคิดเป็นตวานของเกียตเราะฉะสิ่งที่ยกของเกตความคิดเนี่ยใช่ไม่เป็นก็เปิดเพื่อนได้เขียวธรรมชาติแต่ก่อนนี่จกตบริสุทธิ์ใช้ไม่เป็นก็เปิดเพื่อนก็เพื่อเจ้าว่าพริสุทิ์ทัองหลาย จิตของเรานี่ประพัดสอนผองใสเหมือนเดิมแต่กับใช้เป็นเปิดเพื่อนจรมาเปิดเพื่อนจิตทำให้เศร้าหมองเราไม่รู้เอาความเศร้าหมองมาเป็นจิตเรื่องความโกรธว่าเราโกรธตามๆความโกรธเอาความโกรธมันไปตัวเป็นตนมีมือมีปาก แสดงออกโทราัร้์ไลกัดจับชตาวุฒิแข่นค่ากอนถ้าทำลายราไม่ยอมถ้าโกรธขึ้นมาไม่ยอมต้องทำตามความโกรธให้ได้แล้วก็เดือดร้อนเราจะงนะ ร่วมกันเถอะนับหนึ่งจากตัวเรานี้มาฝึกเรื่องนี้ความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ต่อโลกนี้มีกองทัพมีอาวุธมีข้อบังบกฎหมายมันก็ไม่อยู่ต้องมาฝึกต้นสอนตนก็ได้มีติตวิญญายกาย สอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาทุกคนตำแหน่งนี้มันก็ไม่ต้องมีกองทัพไม่มีอาวุธไม่มีคุก ม, มีตรางทุกคนแค่ขายตัวเองอยู่ดูเดาตัวงดูบอบรมสอนตอนอยู่ไม่ปล่อยให้ความชั่วเกิดพฤติการที่ใจพวกเราจัง มีอาชีพเรื่องนี้ศึกาและทำเป็นคเรื่องชีวิตแบบนี้อาชีพทำไ้ไหนปฏิบัติธรมทำไ้ไหนาก็มีผู้เห็นด้วยมีศาสนามีพุทธบริษัท หุ้นชวนร่วมกันสร้างวัดสร้างวาหัดโลกหัดหลอนทําบุญให้ทานแล้วก็อยู่ได้พบกานได้ชีวิตเนื่องด้วยผื่นเขายังอยู่ได้ยังไม่ตายชีวิตของเราเนื่องด้วยคนอื่นนี่คือพุทธบริสตัท แล้วก็เราก็ทําเรื่องนี้นิวัดวารามเป็นของทุกคนสุดินนังการใช้หมายสอนเป็นของทุกคนสุดทินนังถวายแฉพสง่งเพือส่วนรวมขอพระสงฆ์จงรับเพื่อให้ใชส่ส่วนรวมสลงฆ่าสังฆฆาเป็นส่วนรวมหนูคณะ มีทาไว้หน่อยมีเสิยดีที่ใช้ได้ทุกคนทุกชีวิตประเทศไทยสถาพูดแบบไทยไทยวัดดาราแบบไทยไทยพระสงฆ์แบบไทยไทยวัฒนธรรมแบบไทยบบไท ย, ท, ย ท, รรทไว้ ห, ไหน่อยก็ประกาศว่าผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาสัววาด ของเราของเราไม่ใช่ของกูมาแล้วให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขทำไม่ไหนประกาศอยู่เช่นนี้ขึ้นป้ายบอกทางว่าจากใช้พรมเหมือนก็ได้มีแผนที่ตอให้มาเสวนามาแล้วอยู่เป็นสุขจะบอกแต่ความ ไม่ดีให้หัดควางดีจะได้พึ่งพาเจยกันได้นี่คือธรรมาวินยัยยอมกับเป็นหมู่เป็นคณนะชีวิตเราก็มีอยู่จริงๆถ้าว่าเคยทุกคนเรื่องควางคิดมาที่นี่ อย่าไปล่าตัวตายอย่าไปกินยาตายอย่าทำลายกันแค่ได้แค่ได้ไดมหาเสียเปียกความทุกข์เสียเปียกความโกรธอย่าเพิ่งไปหลับใช้มาแค่ได้อยู่เราก็เคยโกรเราเคยทุกข์เราจะไม่เอาความทุกข์ไปทำให้คนอื่นหนึ่งละ เราจะไม่โอ้อาลใจนี้ไปทําให้คนคอื่นเดือดร้อนเราจะไม่โอ้อาลใจมาทำให้เจ้าเดือดร้อนเดือดร้อนเดือ ด, อดร้อนยิงๆเรื่องนี้เดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ยืนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ชอนะ็อตหน้า แต่นนิพพานก็เย็นเดี๋ยวนี้ไม่มีพิษไม่ภีภัยถ้าเป็นสวรรค์ก็ใจดีเดี๋ยวนี้ไม่มีความโกรธไม่ดุร้ายนี่เรียก ว, ว่ามีบุญมีนิพพานเป็นส่วนรวมไม่ใช่ของส่วนตัวแล้วคนใจดีก็ไม่ทําอะไรให้เดือดร้อน ันจะเย็นก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเราจะไปเย็นที่อื่นได้เช่นเห็นหน้ากันก็เย็นใจเย็นกับพูก็เย็นใจเห็นการแสดงออกก็เย็นใจเช่นเสด็ถีกวาหน้าบ้านเห็นพูะเจ้าเดินไปบินทบาท พอเห็นหน้าก็เนใจหลังทั้งที่มาได้ทำอะไรจนคิดในใจว่าถ้าใครมีลูกชายอย่างนี้พัวแม่ได้นิ้พานถ้าใครมีสาวอย่างนี้ปัญญาได้นี้พานถ้าใครมีเพื่อนอย่างนี้เพื่อนได้นิ้พาน บอกก็พูดนิพพานกันมาก่อนแล้วสมัยก่อนโน้นนิพพานไม่ใช่เรื่องตายเรื่องความเย็นดกเย็นใจเมื่อได้พบเห็นคนอื่นทำให้เย็นไม่ทาให้เกิเดโลนนี่เราเป็นผัวเป็นเมียก็ทะเลาะกันทํามอยออกมามาช่วยกันให้กันเย็นใจ เป็นเพื่อนกคยจะเจ็บตายด้วยการจะต้องตายแท้ๆทําให้ใครต้องทำให้กันเย็นใจตายแล้วทําอะไรไม่ได้ทำสาความดีทำให้คนอื่นมีความสุขทำให้เกิดมีความเย็นใจให้ทอมเดี๋ยวนี้ที่อยู่เดี๋ยวนี้เราทํากับคนดีแล้วเมื่อคนอื่นที่เราทํากับเขาดี เมื่อเขาตายแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้เราทำดีแล้วพ่อแม่ทำกับลูกดีแล้วสุดฝีมือแล้วเมื่อลูกตายก็ไม่ต้องร้องไห้ลูกทำกับพ่อกับแม่ดีที่สุดแล้วเมื่อพ่อแม่ตายจากก็ไม่ต้องร้องไห้เพราะเรามองเห็นเราทำดีแล้ว เก็บแค่ได้เวรก็ดูแลรักษาไม่ยากลำบากทำจิตการงานของพ่อของแม่ดำรงตรตกูลตามธรรมงาตลอดไม่ขาดตัวประกันทำนาที่ดีที่สุดแ ล, แล้วก็สบายใจเย็นใจ ไม่สนุกนะไม่มีหูเนี่ยไม่ได้ยินเสียงคำพูดตัวเอง <c oughs> เอาละต้อกวกาจเวลา